ด้วยความเคารพต่อพระสงฆ์ที่เลยในธรรเจะสาธุชนทุกๆ ท, ท่านเออวันนี้หลวงตาขอได้มีโอกาสมาพบกันกพวกเราที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองที่สามแล้วการมาฟังเทศฟังการพูดในวันนี้ไม่ใช่มาฟังเอาความรู้อะไรต่อหลวงตาไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ กับการปฏิบัติธรรมเอาตายเอาใจเป็นตำาไม่ใช่คนรู้เลยไม่สาาสอนให้ท่านรู้ได้เห็นได้เพียงแต่ขอให้พ่อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ท่านยังไงท่านสอนเรื่องชีวิตของเหล่านี้ทุกคนก็คงมจะรู้กันมามั่งแล้วในวิชา พิจารนาขวัญเจ้าทรงแสดงไว้มากมายเช่นองสแสดงว่าผู้ดใดมีสติต่อเนื่องหนึ่งวัน ถ, ง น, ง น, งนถึงเจวัดดนหนึ่งปันถเดือนถึงเจเดือนหนึ่งชาตีถึงเจดปีที่อาในสงสงประการแม้เกินก็อนาใมีบุคนลั่นชัดนี้ สองไปพระอหันในชาตินี้แล้วมีใครี่สูจแล้วนี่มาไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องจะดีทำงางไม่ใช่มาพูดเรื่องการบรรยายบรรยายไม่เป็นไม่ใช่ความรู้อาชนะควาธกถาแล้วก็ดูตัวเองไม่เหมาะ เราจะให้หมอจิงก็คงพูดขณะที่เราปฏิบัติไปสอบวาลังไปให้ความคิดแนะนำตอนที่กาลังทำอยู่เวทีที่ชำนานในเรื่องนี้คือวัดป่าสุโธโตพูดทุกวันตอนเช้าตอนเย็นคนที่ฟังก็ฟังจิงที่เขาได้ทังน่าจิงที่เร า, เาได้ยินไะยินเราพูดเขาก็ไปทำ สิ่งที ن ن ن ่เได้ทำเราก็เขาก็ยนสิ่งที่เขาได้ยนเขาไปทำดูนั่นก็ว่าเป็นแนวร่วมเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดภาวะพอดีกันสิ่งที่เขาได้ยนเขาไปทดูสิ่งที่เขาทำเขาได้เยนมาก็สมดุลกันงเป็นเวทที่เหมาะที่สุด ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายพวาะว่าทั้านายไม่ได้รู้อะไรเลยโครงการปฏิบัติธรมงานบ้างได้เห็นทีน่นี่ได้รู้ทีน่นี้บ้างพอทุกคนมิจฉารีบ้านคนใหม่ที่นี้ชุมชนของคนเมืองหลวงนี่ทีน่นี่เป็นแหล่งที่น่าอุ่นใจที่สุดก็ขอเป็น่เป็นเพื่อนในการศึกษาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะภาพปฏิบัติ แต่ไม่พายหลงทิศหลงทางจึงเอาไปทําดูนี่หลักการกระทําพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ให้มีสติดูกายเห็นกายให้เห็นต้องเห็นถ้าไม่ดูมันก็ไปเห็นแม้มันมีอยู่ถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นจึงสร้างภาวะที่ดูเกิดขึ้นภาวะที่ดูเนี่ยก็จะพูดตามหลักปรัชญาเราต้องสร้างใช่มันไปเลยมันมีอยู่แล้ว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 ที่เห็นความหลงก็มีความรู้ขนาะที่มันหลงอยวให้มันหลงฟรีๆความหลงเป็นประโยชน์ถ้ามันเกิดความรู้ขึ้นมาได้แต่ความหลงแล้วหลงเจริญงจริหนมีประโยชน์ไหมหรือว่ามันเคยชินไปเสร็จแล้วเป็นนิสัยโอหายัยเไปแล้วไม่ที่จะหลงมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากความหลงเลย แต่ที่เราจะมีประโยชน์ประโยชน์นั้นเกิดจากความหลงแม่มันยอดยี่ยมมากประโยชน์นั้นเกิดจากความทุกข์ก็ยอดเยีย่ยมที่สุดล่ตรงนั้นคมองเห็นได้อย่างเวลาทุกขอะไรย้ออยู่ตรงันมันก็รู้ไม่ใช่ไปทุกข์เวลาทุกข์อะไรอยู่ตรงนั้นด้วยมันก็รู้ รูสุรูทุกตัวเนี่ยก็รูซื้อซื้อตัวนี้มีค่ามากเราว่าค่อยๆเอารถดนะเวลามัรสุ ก, ก็มีรถชาตคนสุดปลายเวลาบรรทุกก็มีรถชาติควาทุกข์ลดแล้วมันก็เลยใหญ่โตราะก็เป็นรถของโลกไปความสุขความทุกข์เป็นลดของโลกอันธรรมะเนี่ยมันซื้อซื้อตัวรูซื้อซื้ อ, อ, อ, อ, อตัวเนี่ยไม่มีค่าไม่ค่าไปเลย ความหลงก็ไม่ฆ่ามันเลยหัวเลาะยิ้มในใจเห็นความหลงเห็นความทุกข์ที่มันแสดงออกมาทางกายทางใจเราเนา ก, การ ต, ต่างๆแปดหมืันอย่างสารพัดอย่างสนุกดีสนุกเห็นของจริงของจริงมันไม่จริงเช่นความทุกข์มันไม่จริ ง, รงแต่มันมีอยู่ ใครก็เห็นได้ความทุกข์เนี่ยมันไม่จริงหนอกแต่เราไปเสียเวลาการันเพราะเราไปเป็นกับเขาแล้วไปเป็นสุขเป็นทุกข์กันแล้วความทุกข์เรายิ่งใหญ่ความสุขเรายิ่งใหญ่รักสุขเกียดทุกข์ทุกคนแต่ว่านีไม่พ้นแต่เราไม่เห็นมันซื่อเดี่ยมันจะเียนค่ามากไปเพราะที่รู้ซื่อตเดียให้ค่ามันไม่มีมันเหลือศูนย์ความสุขก็เหลือศูนย์ความทุกข์ก็เหลือศูน แล้วมาเกิดอะไรขึ้นให้มีค่าแล้วเดี๋ยวนี้มันมีค่าความสุขก็มีค่าแล้วก็ต้องเสาะหาความสุขไปซื้อไปหามาด้วยราคาด้วยเงินด้วยทองด้วยเวลามันก็ไปจริงเสมอไปในความสุขมีความสุขอย่างนั้นด้วยในความรักความจากมีความไม่รักความชังอยู่ในนั้นด้วยตรงนั้นข้ามในความรักก็ค่ากันเพราะความรักได้แบบนี้ ภาษาของการปฏิบัติคือปฏิคือกลับมามาให้ค่ามันซื้ออนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราทำอย่างนี้ดูถ้าเราไม่ค่ามันสักครั้งหนึง่งสองครั้งมันก็ไม่ค่าโชว์เหมือนเราไปดูการเสดงกลพอาเรารู้จักกลวิธีของของเราไม่ค่าการแสดงเขาเขาก็แสดงต่อเราไปไแต่ก่อนเราหอวเราะเราล่องไห้เพราะการแสดงของของ เพราะเราไม่รู้พอเรามารูแล้วโอ้ยมันไม่มีค่ามันก็ไม่แสดงแบบมันอา่านในโลกนี้มาหลายของจริงความสุขไม่ใช่ของจริงความเห็นซื่ อ, อจริงกว่าความทุกข์ไม่จริงเราว่าที่รู้ซื่อเดีจริงกว่าลองทําอย่างนี้ลองดูประสบการณ์เรื่องนี้ลองดูว่าภาวะที่รู้ซื่อเดี่ยวันมันจเจริญไปเรื่อยๆไอ้ใช่ซื่อๆต่างหาก เป็นการเป็นญานเป็นปัญญาไปด้วยเป็นอย่างนี้การปฏิบัติทำคกามการรสุขกับการปฏิบัติเกิดขึ้นจากตัวเราใครเป็นงอนสอนธรรมชาติมันสอนธรรมชาติมันสอนเราได้บุญเรียนจากธรรมชาติที่มันสอนเราบันเป็นของจริงถ้ามันทุกข์หนความรู้สึกทื่อไม่มีต น, น, น การควบรู้ซื่อชื่อกับความทุกข์อะไรเป็นพปี่ยวตัวเราอะไรเป็นทรรมตัวเราไม่ใช่ไปถามใครที่ไหนเราต้องตอบเองไม่มีคนอื่นตอบให้แล้วก็ได้คำตอบไปเรื่อยๆสมอหนาความทุกข์ต่อราบความหลงไม่กลัวเลยมันทุกเท่าไหร่ก็สมอหนามันไม่ฆ่ามันเลยมันจิ้บจ้อยไม่มีอะไรไม่มีการแสดงโชว์ มันก็โชนะความทุกข์มันโชวความไม่ตกตะลอนเศร้องวันโชมากจนตัวเราหลงควางใีเป็นญาติถกกระเป๋กับว่านเมือนจางอะไรต่างๆสารพัดอยากมันโชค ว, วา ม, มองอวงาห่อนอนความคิดต้องซดัดความเเรงสงสัยอะไรสารภัดอยากเวลาเราปฏิบัติเวลาเรามีสติเนี่ยอันที่ไม่สติโชที่สุดเลย วิธีใดจะให้หลงมันโฉออกมาจากความคิด่บ้างจากอากาต่างๆของกายของใจว่าก็โฉออกมาแล้วก็เห็นเราก็รู้เห็นมันถ้าเราเห็นเราก็ภาวะที่เห็นเนี่ยภาวะที่รู้ชื่อๆมันจะเจริญใจภาวะที่ไม่เป็นกับอะไรมันจเจริญถ้าจะเปรียบเทียบแล้ว ม, มันเบามันทำถูกเมื่อมันทาถูกมันเบ า, เบาแล้วก็เห็นความภาวะที่เป็น ไม่เป็นไรมันเป็นธรรมต่อร่างกายจิตใจเราเลือกได้ชีวิต ท, ที่เลือกได้ในบทเรียนจากตัวเราแค่พอเรามองจะเลือกเอาจะเพื่อจะไปสุ ก, ก็เอทุกข์ก็เอแค่ พ, พอมาดูเขาอย่างจริงมันเลือกได้สมุกดีเป็นชีวิต ท, ที่เลือกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการตามทุกคนจะผู้ปฏิบัตินี่คือของจิต พระพุทธเจ้าจึงประกาศว่าการทำนั้นพระผู้มีพาคเข้าตัดไปดีแล้วว่าทำดีมากกว่าดีทำชั่วมกว่าชั่วปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเชิญมาดูน้อมมาใส่ตัวน้อมมาใส่เราลองดูอะไรที่น้อมมาเวลามันหลงน้อมกลมรู้สึกตัวเข้ามาหาเรา ให้เราไม่จนอย่าไปจนวอบหลงอย่าไปจนวมทุกข์ไม่ต้องเสียเวลากับภาวะอย่างนั้นเราไมีทางออกเราเห็นทางเหมือนเราเป็นตาหน้าโลกภาวะที่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นล่าโลกเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสพระสาวบอว่าผู้มีจิตไปหน้าโลกเหมืมนมีจิตไปไม่ไหน คือไม่เผยเรียบว่าขีนาศกคือพระอรหันต์ผู้มีสติเป็นหน้าร้อไม่ใช่วัดกันด้วยชาติชาติวันละโลกแบบอันเป็นภาวะที่เราชากขึ้นมาในชีวิตเราอันนี้เป็นของทุกคนไม่ยกเว้นใครปวมลู้สึกตัวที่มีอยู่กับเราเดี๋ยวนี้กับปลูกึกตัวที่มีไว้กับพระพุทธเจ้าสองสามพันปีอันเดียวกัน ผมรู้สึกตัวอยู่กับนักอวดผมรู้สึกตัวกับคารวาอันเดียวกันอยู่กับเพศใดภาวะอันใดอันเดียวกั น, ก น, น, ไ, น, น, กนไม่ต่างกันเลยเ้วจึงมั่นใจมากในการสัมผัสของจริงที่มีอยู่กับเราแท้ๆเป็นมนุษย์สมบัติมีสิทธิแล้วก็ใช้สิทธิของเราเวลามันหลงใช้สิทธิความรู้สึกซื้อเข้าไป ลามันทุกข์ก็มีสิทธิรู้ชื่อชื่อเข้าไปเวลามันโกรธมีสิทธิรู้ชื่อชื่อเข้าไปต้องใช่สิทธิ์ว่าอย่าปล่อยไปแล้วเลยเป็นธรรมะที่บรรัดแต่นี้เราไม่ค่อยใช่สิทธิของเราปล่อยให้มันจบปล่อยให้มันทุกข์ไปเป็นเป็นล่องเปนรอยเป็นเป็นสิทิที่มันก็ไม่มีประโยชน์ หลงร้อยข้างกวนหนอนไม่ลู้ไม่มีค่าเลยทุกร้อยข้างกันหนนไม่มีค่าเลยแเลยถ้าเรามาศึกษาบทเรียนจากสิ่เหล่านี้มันได้บทเรียนเยอแยะเรามาดูตามปฎมบัติวิธิการการตรัสรู้ของพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นขนาดที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเรามาได้ยินว่ามีมานที่เด็ดขาดตะบานมัจจุบาน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 ในขันนะฮะที่มันแสดงออกมาทำให้เราหลงตรงนี้ด้วยเหมือนจะเป็นจะตายเข้ า, ต, าต้องร้อนทั้งปวดต้งเมื่อยั้องทาท่าเจ็บไข้หรือปวดปวดตายขึ้นมาอะไรก็ทําให้กลัวขึ้นมาได้ค่ะที่มันแสดงออกเราก็รู้รซื่อเข้าไปภาว่าที่รู้ซื่อเข้าไปมันก็ไปถึงภาวะที่ซื่อๆเข้าไปไม่ไมีข้าวแล้ว ต้องเดินตรงนี้ไปเข้าจากตรงนี้ไปที่จะเป็นการเหมือนการเกิดแก่เห ย, ยบตายมันต้องมีเกรดตั้งแต่นี้เป็นน่อนไปไปบัตธิธรรมะนี่ก็มีเกรดเหมือนการศึกษาต่างโลกเขาเกรดดีมัเข้าในร่วมหาวิทยาลัยการไปบัติธรรมถ้าเกรดมันดีก็เข้าประตูแห่งพระอิปคนได้แห่งห้าม ย, ย, ยากเกินไปเกรคือไะไรมันดีตรงไหนมันตกวันผ่านทรงไหน ถ้ามันหลงลก็รู้ซะผ่านแล้วอย่ากให้ความหลงมาขวางกันถ้ามันทุกข์ก็รู้ซะทุกทุกเนี่ยพาให้เราถึงความรู้ล้วก็เกรดมันดีแล้วมันทุกเทียรู้ทุกทีมันก็ผ่านได้ทุกทีเป็นการสอบผ่านเป็นใครเป็นคนให้การทางผ่านอย่นีน้ไม่มีใครให้เราเป็นตัวเราเองที่ทําให้ตัวเราเองรู้ว่ามันผ่านไป ควหลบมันผ่านไปมันไปสู่ความรู้ได้ความทุกคนผ่านไปไปสู่ความรู้ได้มันเป็นอย่างนี้ของจริงมันต้องไปอย่างนี้ถ้าสิ่งไหนไม่เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเป็นคู่ต้องมีแน่นอนเช่นประสีตะทะมงการเกิดเจบเจ็ไต้มองเป็นคู่กม่ไม่เกิดก็จะไม่เกิดแน่นอน ก็มีเกิดเมื่อไม่เจ็บต้องมีไม่เจ็บแน่นอนเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บแน่นอนเมื่อไม่ตายต้องมีไม่ตายแน่นอนงองอย่างนี้ไม่ใช่มองแบบจนต่ออาการต่างๆที่เพิงเกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่นหาคำตอเมื่อมาหาคําตอบอย่างนี้อาการที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็มองตัวเองครับได้ทันทีไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเกิดเจ็บหรือตาย แต่ เ, เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี้ยังดูในตรงกันค้าให้มันดีๆใส่ใจดีๆตรงนี้อย่าปล่อยปละละเลยอย่าให้มันฟรีมันหลงฟรีฟรีมันทุกฟรีฟรีมันสุขฟรีฟรไม่ได้มันเอาไปรีไม่ต้องให้ไปไปอย่างนั้นเราค่ามันเราประโยชน์จากมัน ประโยชน์ที่มันเคยจากตัวมันเองมันมีอยู่เหมือนปุ๋ยนัมนเป็นของสกปกแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อพืชต่างๆธรรมะบางอย่างกบทุกจะแท้ทำห้เกิดบรรลุทำได้มุมหลงแต่แท้ทำไ้เป็นการมรรลุทำได้อะไรก็ตามที่มันเป็นคู่กันอนะมองดีๆเวลาเราศึกษาธรรมะการศึกษาธรรมะไม่ใช่เป็นนั่งอยู่ในวันในบา ถ้าได้หลักอย่างที่หลวงตาพูดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ทำไน้ยิ่งเราเป็นทํางานทําการและผิดชอบครอบครัวทํางานสมาีิมาจ่มเกิดแน่นอนอะต่างๆยิ่งเกี่ยวข้องคนอื่นยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีใหญ่จะได้เห็นตัวเองมากขึ้นเป็นกานสะท้อนออกมาแค่นี้ก็โกรธหรือแค่นี้ก็ทุกข์แล้วหรือจะได้ดูตวเองให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหา อย่าเป็นหัวจกในเพื่อนร่วมงานเลยเอามาเป็นบัญญารู้จักคนรู้จักถามท้าถามท้าอย่างไรใครเป็นคนตอบเราตอบเองไม่มีใครรู้เตาถ้าตัวเราเพราว่าเราอินเทอร์เราเราก็รู้ตัวเราตัวเขาว่าเขาเสนอเราเราก็รู้ตัวเขาเสนอไม่มีใครรู้ตัวเราเท้าตัวเราเราในโลกนี้ ยงมั่นใจเธอในการเสาะของเก่งเนี่ยอย่าจนมองเป็นคู่ไปเรื่อยๆไปอย่าไปจนต่อลูกเกิไปเห็นตาเฉิเฉินสุกทุกมากเกินไปเปลี่ยนมันมาเป็นธรรมดามาดูซื้อๆลองดูสิเพราะที่ดูซื้อๆเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อๆธรรมดามันเป็นมากเป็นผลด้วยการซื้อๆมันมีค่ากว่าเจงใดที่เราให้ค่า หลยอย่าเปนเราลูกเพราะวะาลูกเป็นคนธรรมันสูงสุดอย่าไปไม่ใช่ซื่อแบบชื่อบื้อนะไอ้ซื่อแบบชื่อบื้อไม่รู้ไม่คิดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ถูกเช่นสมัยหนึ่งหลวงตาเดวัตจุกระโตไปปฏิโมกที่หอวใจขึ้นไปบนหลังเขาโอปปติโภกเสด็จเดินลงมาปา่านสลากะ ก็มีพระเพื่อนกันลงมาหลายหลายลูกผ่านมาเจลาไก่ลองตาก็ยังไม่ได้ผ่านเจลาไก่แต่ว่าได้ยินเสียงไก่มันร้องก็ต้ากะต้ากต้าแซวกันอยู่ก็เลยได้ยินเสียงไก่ก็สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เดินมาเห็นกามันกินไข่ไก่ในหลังอยู่ก็ไร่กาออกจากหลังไข่แล้วถามพระที่เดินไปก่อนท่านลูกไหม ที่เรียนผ่านสลาไก่ไว้จริมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรก็ดรามาเยอะๆเอาไก่ล้องกระตากไก่ตากไยินไหมก็ได้ยิ น, น, ยนอยู่แต่ไม่ได้สนใหญ่มันซื่อบือ้อไม่ใช่ไม่ได้ยินมัน ไ, มได้ยินอยู่แต่ไม่ใช่สนใหญ่ไม่ใช่ไปมีสติตรงนั้นด้วยอภิวะที่เสียงมันจะไม่สติ ม, มีอะไรเกิดขึ้นพอแก้ไขได้ไหมอันนั้นเป็นภายนอกแต่ภายในเรานี้นะ คนสนใจให้มากที่สุดเลยอ่ามันหลงการข้าวความหลงมาเป็นความรู้ซะแค้ใขรอย่างนี้เล็กน้อ ย, อยไปมันจะเจริญไปเรื่อยๆทำมาใหม่ง่ายที่หลงก็เรามาให้ข้ามันจซื้อไปง่ายที่รู้เข้าไปเอาไปมาตัวรู้ซื้อๆออกหน้าออกตาไปเลยจะเป็นยงไงตอนนั้นอะ่ะมันก็มันก็สะดวกเป็นโอกาสสะดวกก็สะดวก ราวะที่ชื้อๆเนี่ยก่อนที่มันสะดวกมันต้องมีปัญหาเหมือนกับรจาราจรกรุงเทพเราแล้วตรงไหนมันจราจรติดขัดเพราะว่ากรทมก็แยกเขยแต่งคนสะดวกขึ้นมามีปัญหาตรงไหนแยกเขยตรงนั้นให้หมดปัญหาไปอันนี้เป็นประตุาภายนอกก็อยอมทำได้ไม่ได้ว่าแต่ว่าภายในของเรามันทำได้ทุกอย่างเถอะนะขอให้ฟังอย่างนี้กันแล้วกันนะ ใช่โจรทำได้ทุกอย่างให้เป็นความดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ในชีวิตของเราเนะีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไปทุกได้อย่างเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปอยู่วัดเปลี่ยนดีแล้วเปลี่ยนร้ายเป็นดีอยู่ที่ไหนมันร้ายมันไม่ดีแนตะ่เปลี่ยนมันดีได้โดยเพราะจิตใจนี่เปลี่ยนได้ทุกกรณีเลยอ่ะเอาไว้ก่อนถใจเนะี่ยเอาไว้ก่อนอย่าปล่อยไป จมไปหมกไ ป, ไปเปิดไปเรื่องกับใจเลยเอาไว้ก่อนเอาจิตใจไว้ก่อนให้เป็นใหญ่ไว้ก่อนไปนใหญ่ในทางดีสําเดียรด้วยใจที่ดีเอาไว้ก่อนถึง เ, เจ็บไข้เรื่วยเอาใจไว้ก่อนพอเราหัดตนานเราหัดมาชนานาญแล้วพอถึงกขาเก็เป็นกีฬาไปเลยเหมือนคนเป็นนักกีฬา มือนคนมีวิชาการต่างๆท่านนั่งอยู่นี้อาจจะชำนาญในทุกสาขาอาชีพเป็นหมอก็มีเป็นนักกีฬากันอะไรก็มีแต่ทิ้งขาที่ท่านนีประสบการน์้วนั่นก็อก่านจะโชว์ผีเหมือนั้นทิอย่างน้งตาเจ็บป่วยเนี่ยไม่รู้ใครเป็นหมอก็ไปดูแล้วโอ้หมอคือวันนี้ก็เขมาดูเราก็ขี้ทันทีโรคอะไรนี้ไปอยู่ตอนนั่นตรงนี้เขาโชว์จิตหเปะวิชา ที่รู้มาเป็นศาสตร์แหการเป็นหมอวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วสาหาแต่เราดูกันไหมไม่รู้แต่ตัวการฝึกตัวเองเนี่ยอยู่นี้ไม่เป็นไรถึงข่าวมันเกิดอะไรแค่ว่าโชมันเป็นกีฬาของการศึกษาชีวิตของธรรมะเนี่ยการเจ็บก็เป็นกีฬาหนึ่งการตายก็เป็นกีฬาอันหนึ่งแต่ที่เราเจ็บเฉยเฉยไม่ใช่เฉยเฉยแล้วเป็นกีฬาตรงนั้นด้วย การที่เราเจะตายก็เป็นกิฬาตัวนั้นด้วยวเนนี้นการเกิดเจีรจะตายได้การฝึกฝนทางนีนะ้ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองเรื่องนี้นะการช่วยตัวเองช่วยตรงไหนช่วยตรงนี้มันไม่ปกติที่ไม่ใช่ความรู้หัดว่างเพคยขัดว่างเก็บตกว่างนอกรูปแบบก็ยังดีอยู่ถ้าเรามีรูปแบบก็ดีเวลาบ้างๆก็เคยขัดบ้าง มีพระอาจารย์มีครูอาจารย์สอนกันอยู่แล้วก็ไปฝึกหัดว่าหลายวิธีการในบริทัยเราแต่เบืองไหนวิธีใดก็ไม่หนีจากสติประฐานสี่คือมีกายมีเวทามีจิตมีธรรมมีอยู่กับเราวันโชว์ันจะหลงตรงนี้มากกว่าที่อื่นเพราะตรงนี้เป็นต้นด่านที่กักให้คนหลงไม่น้อยทีเดียวหลงกาย มีภพมีชาติอยู่ในกายเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกูเป็นวัวเป็นตนในกายเยอะแยะไปหมดเราเอาให้ดีตรงนี้ถ้าเวลาใดกายมันแสดงออกมาทําไมหลงเราต้องรู้ทันทีไม่เสียเวลากับภาวะที่มันเกิดอะไรขึ้นกับกายจนสําคัญนั้นหมายว่าเราเป็นวพเป็นชาติอยู่ในกายหลายเป็นแสดงออกหลาอย่างอลรูปแบบเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ความร้อนความหนาวความหิวมันแจ้งเรื่องกายขึ้น่า ลายเป็นเวทนาไดจากกายธรรมดาไปสูเวทนาได้มันต่อไปได้แล้วก็หลงตรงนั้นแล้วก็ลู้ตรงนั้นอีกเวลภาวะที่รู้เนี่ยภาวะที่ทำอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าเคยเฉลยไปแล้วกาจะว่า ก, กายให้ใช้สัตว์ตัวคนตัวจนเราเขาเอามาทํำในใจเวทนาที่มันเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นสุเป็นทุกข์ ลองตาอที่ว่ามันหลังแล้วก็รู้มันนะมันไม่ใช่สุขเลยอทุกข์อันสุขทุกข์ได้เกิดจากกายเ่ามันก็เป็นเวทนาจริงแบบเบทนามันไม่จริงแบบเราขอบคุณที่มันมีเวทนามันร้อนเกิดมันหนาวเป็นมันหิวเป็นมันปวดเป็นอยู่กัดมันเจ็บเป็นเทียกว่าเวทนาขอบคุณจนที่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เลยขอบคุณเราที่เขาเจ็บเป็นเขาหิวเป็น ไม่ใช่ ม, ใช ม, า ม, า ม, มาเป็นสุขไม่ใช่มาเป็นทุกข์เวลามันหิวอมาเป็นทุกข์แต่พิมพมาเป็นสุขไม่ใช่เลยเป็นธรรมชาติธรรมดาของเวทน า, าถ้าเราไปหลงถ้าเราไม่หลงตรงนี้ว่าเจตสฉลาดตรงนี้มันเลี่ยบไปแล้วไม่มีขึ้นไม่มีหลงไม่มีบอกมันเรียบทํำไมเรียบได้ถ้ามันไม่ขึ้นมีสุขมีทุกข์ก็มีขึ้นอยู่เหมือนทางขึ้นเขามันจะขึ้นหน้าผาไปได้ ถ้าไม่ทาให้มันเรียบออกมาที่วัดหลวงตาอยู่เป็นเทือนเขาเราต้องทำให้มันเรียบมันขึ้นได้การปฏิบัติทำในก็เหมือนกันไม่ใช่หักร่าผ้าด้วยเขา่าต้องลานลาดแต่ว่าทำบมางถ้ามันสุกก็ไม่ใช่อยู่กับความสุกเป็นเบทนาเป็นสุกเบธาเป็นทุกข์เบทนาไม่ใช่เบธนาสัตว์ก็เบทนามันลาบลงไปแล้ว ที่ใดที่เราเกิดเวทน า, นนนาการนอนก็ล่าไปถ้าเราไม่หัดตรงนี้ก็เป็นขึ้นเป็นหลงเป็นบ่อขึ้นยากผ่านยากเสียเวลาอยู่กับเวทนามากทีเดียวบางทีเสียเงิเสี ย, ยทองไปปนไปขี้ไปลัดไปกโมยไปคมขืนเดาก็ไม่ในเวทนาทั้งหลายถ้าเรามารู้บ้างเออเวทนาสักวันเวทนาไม่ใช่สัตวุกคลตัวตนเราเขาสร้างควมเห็นไว้ก่อนแมนะ้ยังไม่ลงตัวพ่อแม่ก็เห็นไว้คุยทางเอาไว้ รู้ตรงแรนด้วยเรารู้ตรงนี้มันไม่รู้มันก็เป็นทางเหมือนทางเดินจงกรมเราไปเที่ยวแรกก็ไม่ค่อยมีรอยหรอกเป็นใบตองเป็นดินธรรมดาแล้วกลับไปกลับมาสักสองรอบสามรอบมันก็เป็นทางงี้มาได้กลายเปทางเดินจงกรมเห็นชัดเวลาเดินบ่อยๆตัคค้งแต่ก็เห็นชั้นใจก็ดีการตึกตนเนี่ยมันก็มีทางไป ทางแห่งความรู้สึกตัวเหยียบไปทุกที่ทุกทางตรงไหนที่มันไม่เป็นทางก็เหยียบมันตรงนั้นอันหลงมันสุขก็เหยียบมันตรงที่มันสุขมันทุกข์ก็เหยียบมันตรงที่มันทุกข์มันโกรธมันรีตกกมว่าเจ้าบังเหยียบมันลงไปขวาว่าเหงอหอนมันจะเกิดตรงไหนเหยียบมันลงไปให้มันเป็นรอยแหความรู้สึกตัวไม่จะเป็นรอยอยู่ทั่วไปเลย จากที่ลุกลงหลังกายเป็นลูกเป็นเตียนลอยแห่งวบด้วยตัวเต็นไปหมดเรียกว่ามหาอัจฉิปฐานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลองทำให้สุดผีมือลองดูนะขอท่าถอาายแต่นี้ขอรับผิดชอบลรงนี้ว่าเป็นไปได้ถ้าทำคำสอนนะ่ะ เ, เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจลที่ผ่านได้จริง แต่เรามาฝึกตรงนี้ไม่ใช่ไปซื้อไปหามาอ้อนบอลไม่สําเร็จเลยต้องก็ทำลงไปเช่นเราหลงน่ะใครทําให้เราหลงแม่ก็อื่นทําอ่ะอะไรที่มันเกิดก็เกิดเราหลงเองเวลาเราหลงเราไปถามใครไหมเราไม่มีคําถามเรารู้เวลเรารู้เราไปขอใครมาช่วยเลยเราไม่มีการขอจากใครมาช่วยเรารู้เองเวลาเรารู้สึตัว ในเวลามันหลงความรู้ตัวก็ไปแทนความหลงได้เพราะความหลงไม่จริงเรารู้สึกตัวจริงกว่าแทัเกณฑกว่าใช่ได้กว่าเป็นทัรมกว่าเลือกเป็นให้แต่จิตที่มันคิดนะมีเหมืนกันจากเที่ยวดูกายกันางเดวดูกายาจิตดูคิดเห็นธรรมมันโชว์มาหลายอย่างผ่างให้จะ้เป็ตัเปรียบจิตที่มันคิด พูดแล้วหลายข้างหลายผนคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดแบบตั้งใจก็มีเหมือนกันดูรูปวันตะลันลเวลานี้ไม่ใช่บานั่งคิดหนาะเหตุนหนาผลรามาจเจริญสติลามาดูว่ารู้สึกตัวไม่ใช่บ้านคิดหาคำตอบจากควมคิดไม่ถูกต้องอันความคิดวันคิดได้แต่ันไม่จริงอันรู้ได้ ใครก็รู้จากความคิดเช่นความโกรธใครก็รู้ว่าไม่ดีความทุกข์ใครก็รู้ว่าไม่ดีดแต่มันยงทุกข์ออมาไม่ใช่ควาพบเห็นปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นการพกเห็นไม่ใช่คิดเห็นการคิดเห็นมันไกลยอยู่แต่การพกเห็นเนี่ยเห็นเดียวนี่ต่อหน้าต่อตาจักเอะกันจักเอะความทุกข์จะเอกัอกบความคิด เจ๊เอกับกองหลงวันต่อหน้าต่อตาเห็นกับตาจับตามาดูไม่คําตอบตอนนั้นทันทีเรียว่าเจ๊เอพูดภาษาแบบประสบการณ์นะไม่ใช่ผููภาษาวิชาการนะมาเจ๊เอเนี่ย A. คนเดินอยู่อยู่เฝ้าอยู่บูอยู่คนเดินผ่านมาก็าเห็นต่อหน้าต่อตาจับได้เร็ทันมันเทจริงอังไเรียกว่าพบเห็น การพบเห็นมันใกล้ๆเดี๋ยวนี้กันที่เห็นมันไกลเกันไปอาจจะเป็นสองวันสามหรือเดือนหนึ่งที่ผ่านไปที่ใหม่ที่ยงไม่มาถึงคิดกันได้แต่การพบเห็ น, นเปนของจริงของจริงมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พวกนี้ของจริงมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมือ่อวานนี้ปัจจุบันเท่านั้นเป็นของจริงทําได้เชื่อได้การศึกษากรรมช า, าเป็นปัจจุบัน เป็นปัจจิตตังอันหลงก็เดี๋ยวนี้เวลามันหลบมันรู้เดี๋ยวนี้ปัจจิตตังนั่นทีเปลี่ยนความหลงไปความรู้เดี๋ยวนี้เป็นปัจจิตตังไม่มีคําถามใครเป็นของผู้ทํานี่คือของจริงที่เราต้องศึกษากันอย่าไปทำอะไรกันมากมายถ้าจะศึกษาชีวิตของตัวเองต้องศึกษาตรงนี้เป็นศ า, นาสตร์แห่งความตื่นศาสตร์แห่งความรู้ ไมาใช่ศาสตร์นันนอกจากกายจากใจไปถ้ามันจบตัวนี้ก็จบไปหลายอย่างถ้าศาสตร์ตรงนี้จบอดิ่งก็สะดวกไปเป็นวงจรของชีวิตไปะจะอยู่ในโลกอย่างสามจริงขอชวนพวกโรลให้เสแสร้งตรงนี้หน่อยปรับปรักตรงนี้หนอยศึกษาตรงนี้หน่อยวิีฐานตรงนี้บ้างทั้งฐานไปตรงนี้ต้องการให้กรรมฐานแก่ นักปฏิบัติกามางานเข้ม40วันที่วันเจ็ดวันแรกให้ฐานตั้งฐานได้ก่อนอย่นี้จะฐานไปไหนคือ ท, ทำอยังไงคือให้ดูภาวะที่ดูนี่เป็นฐานอะไรเกิดขึ้นเราดูอย่าเข้าไปเปลี่ยนมันมันรู้ก็อย่าเป็นผู้รู้มันสุขก็อย่าเป็นผู้สุขมันทุกข์ก็อย่าเป็นผู้ทุกข์มันหลงก็อย่าเป็นผู้หลงมันง่ ว, วงเอาหานอนก็อย่าเป็นผู้ง่วงเอาหานอน ให้ดูมันตะพตะุ่งไปนีฐานมันอย่าดูออกไปบางทีมันเกิดความรู้ขึ้นมาก็อย่าเป็นผู้รู้ไปจนลืมตัวเป็นกินตยานไปกลายเป็นวิบัติดูไปได้ก็ดูมันเรืยไปเป็นฐานฐานหมายถึงที่ตั้งที่วางเป็นหลักเหมือนว่าเรามีฐานหนักแต่ด่างมักแห้หนามันโกงก็อยู่ได้ฐานที่งของเราคือกรรมฐานเนี่ยเป็นที่ตั้ง ของการทำอราตั้งไตั้งไว้ไวที่ความรูเ้เฉยเฉยตั้งไว้ที่กายบ้างเอากายเป็ น, นิดบ้างหัดใม่ก็มีที่ตั้งหลายตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงทังสอนเขาว่าการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกมีสติมีสมรจญา การมองไปข้างหน้าอาการเดินไปข้างหน้าการถอยกลับไาข้างหลังมีสติมีสัมผัสยะความพอใจความไม่พอใจมีสติสัมชัสมมยะพระพิจารณทรงสัมม่งสอนแล้วจึงมาทําเป็นรูปแบบขึ้นมาหลายวิธีการที่เราสอนกันอยู่ในประเทศไทยเราจึงไม่จนเรื่องนี้กันแล้วก็เหมาะที่สุดจึงมีสถานที่ปฏิบัติธรรมรองรับพอกเราอย่าจนเรื่องนี้กันมีที่ รับผิดชอบแล้วนี่กันอยู่ทั่วประเทศเราจึงไม่ควรจะโจรกันถ้าไม่มีที่ไหนที่ไปก็ศึกษาตัวเองได้บทเรียนจากตัวเองมีเยอะแยะไปเลยอ่บางทีความทุกข์ทำเราเกิดศรัทธาได้ความทุกข์แท้ๆทาให้เกิดเป็นพุทธเจ้าได้เราให้ชีวิตพระอรหันต์จะไปก่อนความทุกข์เกิดเป็นพุทธเกิดเป็นพระอรหันต์ได้เช่นยาติจากกบฏ ทุกดอทุกดอพดนวันเรืเกิพนวัเกเกิดตอนนั้นพระเจ้าปตัดสรูปใหมหม่จากเดือนพึกษามาถึงเนีอนโคกนลโกดาเดือนกัว่าวมาเจอคำพูดของคนพราณศรีทุกดอกทุกดอกว้นวันเดือก เ, เกิดพระพุทธ เ, เ, เจ้าอยู่ป่าอิสิปตระมาเลิกข้าวเยวัน กำลังจงกองอยู่ตอนได้ลุ่มได้ยินเสียงคนร้องขอทุกข์หรอทุกข์หรอพระุทธเจ้าสวนนางออกไปที่ไม่ทุกข์เลยที่ไม่บุนบายมาที่นี่เถิดผู้คนคนนั้นได้ยินครับพูดสวดว่าพอเดินเข้าไปหาเห็นพระเจ้าไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าก็เลยไปฟังธรรมได้เป็นพระอรหันต า, า ก, กันทุกแต่แท้เมืนเกิดศรัทธาหาทางออก อย่าบังจะไปตัดสินใจด้วยตัวเดงบางทีมีคนเป็นเพื่อนรังนี่กันอยู่เยอะแยะอย่าปล่อยทุกคนเดียวหลงคนเดียวโกรกคนเดียวให้คนอื่นรู้ด้วยมีทางได้แม้แต่การเจ็บป่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีโครงการช่วยคนเจ็บห้าทีทก่อนจะศึกษะพวกเราจึงรวมกันขึ้นมาจากพระสงฆ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหมอแพทย์ไยาบาลทำโครงการช่วยคน ก่อนใจจะขาด5นาทีหรือว่าห้านาทีท้องก่อนใจจะขาดหลวงตาเคยไปช่วยคนอยู่สหรัฐอเมริการ่วมกับปรายานไปช่วยดยบันีผลประโยชน์ 5. ก็นำมาปะกันตั้งกลุ่มขึ้นมามาช่วยลองดูแล้วก็วมีประโยชน์ไม่มีอะไรสอนก็ไปสวดพุทธคุณนรมคุลให้ผู้ป่วยฟังพุทธังรงกะกาจามิ สถนะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสถานอภเสธของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสานี่แล้วข้าพเจ้าจึงก้อนเจวทู้ทั้งความได้สวดกันสักสีห้าคนอมังสนังอาจารย์นสถาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสถานอภิเสธของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสานี่แล้วข้าพเจ้าจึงก้อเจ้าตู้ทั้งความได้คนป่วยมันกำลังมีเวลาเจริญก็ยิ่หน้าที่งหลัง มืดแปรด้านเมือ่อได้ยินคาสวดคำพูโแคเนนี้ขึ้นมาภาคภพเราก็มันป่วยแต่ก่อนเนี่ยหน้ายิ้ขึ้นจะตายอยแล้วพอเราสวดไปจวไปก็หน้ามันหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงนกมือขึ้นลงมือขึ้นมามันก็ช่วยได้ห้าทีทองมันแทนที่มันจะทุกข์ลงขนาดนั้นพอยิงคาสวดก็เออขึ้นมาแล้วี่จะทาขึ้นหนาฟังแล้วก็พูดไปไปสวดอยู่ที่จเจอร์ซียอเมริกา อยเมืองวัตตนานนะว่าไปสวดประเสะมหายานาก็ก็อามีโตโกอาวิโตโพอาวิโตโกภาษาใช่ไหมเคยเคยสวดมิตรพุทธนะมหายาณเขาถือมิตรพุทธเป็นใหญ่ที่สุดเลยมากกว่าพระเจ้าด้วยซ้าไปถ้าพระใดตายไปได้ไปอยู่กับพระพิตพุทธนะง่ายที่จะบรรลุมรรคผลในพานได้ง่ายใกล้กว่าที่จะปองเป็นตนไปเลยคนมหายานจึง เขายอมที่จะเข้าถึงอมิตตพุทธได้เขามีเครื่องเล็กเท่าแม่หัวแม่มือช่วยในสูง ก, กับเขาเชื่ออมีโตโพมีโตโพมีโตโพนักขับรถก็มีโตโพมีโตโพได้ยินยเเสียงอมิตตพุทธอยู่กขนาดนันะคนใกลจะตายเขาไปสวดกูเขาลนตาก็ไปสวดกูเขาเอาใส่เสื้อใหญ่คลุมเหมือนกับอะไรต่างๆใส่ชุดเขามีฉีดด้วยมีเคาะด้วยเคาะไปด้วยคนป่วยก็โอ้ยดีเหลือกันนะ เอามาใช่บางไทยเราก็ได้อาายยังรูปหลังนี้กันพอสมควรเพราะอะไรเพราะเคยเจ็บสุดๆไปแล้วเคยตายมาแล้วยังเก่งอยากเป็นเพื่อนคนตายคนเก็บกที่สุดเวลานี้อะมันมันเปลี่ยนไปได้นะเวลาเขาเจ็บมองก็ไม่เจ็บได้ลืมมันก็ได้ความเจ็บเนี่ยลองดูสิ บางทีมันตกกระไดเพรกระโจนมันจนจนที่แล้วเื่อเราไปกูม้มันออกมาได้นะจึงเมื่อเหนือการเกิเกจ็บตายสองตา น, นี่มันก็เหนื่อยจับอ่อนปวดท้องมากที่สุดเลยทาายําไงไม่ติดอยู่กับอาการนี้ปวดได้อยู่ตรงไหนอ่ะได้อยู่เราเองเคยมาแล้วไคยฝึกว่าแล้วเคยฝึกเข้ามาถอนมา 40บกว่าปี ถ, าถึงเขาจะม่เหยียบมันใช่ได้บางดีมันเป็นปัจจัดต่างไม่ใช่สี่สิบปีก่อนดีกว่าบางทีเราก็ถ้าไม่เคยฝึกก็มีการสวดให้ฟังบ้างตกกระไดพอกระโจ์ไม่ปล่อยตัว เ, เก็บปวดได้ไมือนกันอันนี้เช่นถราพรทเจ้าไปโปรดพระเจ้าจตุตสร่าได้น i ้พานก่อนจะจะขาดห้าอดีเป็นไปได้ ปั้นเราจะมาช่วยกันเถอะเวลานี้เรามาช่วยกันก่อนให้เห็นทางไม่สักอยก่อนอา้าววันนี้เรามาฟังหลวงตาพูดเรื่องชีวิตของเรามันตกกันข้ามใกล้เย็นแล้วก็เอาไปทําเล่นๆไปถึงเข่ามันจนมาอาจจะใช่ได้นะเมื่อมีความเกิดมันก็มีความมปเกิดเมื่อมีความเสียมีความไปเสียเมื่อมีความเจ็บไม่มีความไปเจ็บเมืเ่อ ม, มีความตายมันมีความไปตายแน่นอนออกไปเลย หนีไปเลยเอาบททิ้งไปเลยมันก็ทิ้งได้จริงๆนะมันอยู่ได้หายใจไม่ได้อยากจะโชว์เรื่องนี้เพราะประสบการณ์พูดที่ไหนก็พูดอะไรกันมันคอใจที่พูดกันเพราะว่าไมา่เห็นกันทุกคนเนะี่ยโอ้ยทําไงนาะกดไม่มีกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีหลักตรง น, นี้เขาอยู่ยังไงเขาหายใจไม่ได้กดท่องเขาอยู่ยังไงอ้เอาเราต้องไปสอนเขาแล้วก็สอนอยู่แล้ว ต้องสอนทมากกว่านี้คิดถึงคนที่ยังไม่รู้เนี่ยประเด็นจึงอยากให้เราได้ฟังเอาไว้อาจทํำในใจบ้างได้บ้างไปได้บ้างไปกันหลายถึงขง่าวเบญจนจรมาได้ประโยชน์เจอแย่ไปก็มีอันนี้คือของจริงชีวิตเรามันไม่ใช่ปล่อยตัวให้เจ็บให้ปวดให้จวว็บตกความเจ็บความตายว่าใช่เลยชีวิตของบุ ร, รุษภัตตาได้จมเหนือการเกิดเจริตาย โดยคุยทั้งแต่รู้ชื่อซ ๆ, อๆอไปเอาภาวะที่รู้ชื่อ ๆ, อๆอไปเลยไม่มีค่าอะไรกบเจ็บกบไมีค่ากบแก่กบตายไม่มีค่ า, ม, ค า, ม, คามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นว่าข่าวก่อนน้องตาไปมาสวดในฝังนี้นี่ว่าจะเป็นสังขารานิจติญาติถ้าปัญญาจะปสติเมื่อใดบุคคลเนี่ยด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นเที่ยงสังขารมันไม่เที่ยงจริงๆ เป็นการสังขารมีคิดตสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมไในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตป็นหลงนั้นแหละเป็นทางแห่งพระน涅槃ในความไม่เที่ยงไม่มีพระพานอยู่ในความเป็นทุกข์มันมีพระ涅槃อยู่ในความไม่ใช่ตัวตนเที่ยวเคยเปนทุกข์มันมีนิพพานอยู่เียด้วยอย่างนี้อยจะจนทำไมาพวกเรามองอย่างนี้ทางป อ, อกของเราเยอะแยะฟังเอาไว้ว่ามีคนพูดเราดี อยู่เวลานี้มีคําสอนมีหลักฐานมีจริงๆในเรื่องนี้กันอย่าให้นันหมดไปเรามาพูดกันมาสวดกันมาสอนกันว่าถ้าทายสักหน่อยว่าความจริงน่ะเรื่องนี้มันมีอยู่จริงๆพุทธเจ้าสงคนพบมามาบอกระสอนพวกเรายังเป็นปัจจุบันอยู่ยังไม่หนีไปไหนควาไม่เท่ยงก็อยู่กับเราอยู่ความเป็นทุกข์ก็อยู่กับเราอยู่ควาไม่ใช่ตัวตนขา อ, อยู่กับเราอยู่เราไปกลัวทำไม เราใช้ประโยชน์จากมันเลยนะดีดีดีเห็นความหลงนี่โอ้ชื่นใจเห็นความทุกข์ก็ชื่นใจเห็นความสุขความลิศความชั่งชื่นใจเห็นความงั่งมนอนส้นมองกิจใจชื่นใจจริงจริงไม่ใช่มาเป็นเรื่องสมองลงมาเป็นเครื่องสมองก็ไม่ถูกเลยพิดที่ถุดเลยออกมาเป็นเรื่องเรื่องปัญญาปัญญาไม่เคยอย่างนี้ความรอบรู้ในกองสังขาร ส<บ>ารพัดอย่างสังขารคือมันเสดงออกจรงได้เป็นสังขารเนี่ยขี้หน้ามันลงไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนช่างม่อเขาเเจ้าเปียบเหมันช่างม่ออันตัวสังขารนี่ปั้นม่อขึ้นมาสวยบ้างไม่สวยบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่แตกท่างกันอันใดที่เกิดจากสังหารไม่เที่ยงทั้งหมดเลยขี้หน้ามันแต่แับนี้เป็นต้นไปอย่าให้มันเป็นให่ตะไบไปเฉียนได้กับมันตะไบเอาชีวิต่ปวาดไปเขียนไว้กับสังขารกับเครื่ปุ่งเตะ พอใจไม่พอใจเสียเปลียบทั้งหาเสียเปลียนความทุกข์เสียเปรียบความโกรธมามากาออกว่าแล้วเอาประโยชน์เถอะพวกเราเพามันทุ่งเท้าเชื่อใจจะได้เห็นหน้าเห็นตาเป็นอย่างนี้หน้าตาของความทุกข์หน้าตาความเป็นที่ซื่อมันตรงกันอย่างนี้มองอย่างนี้มองแบบผู้ยิ่ใหญ่เราจะให้ข่ามันสักหน่อยก็อันตาเคยบูปา ม, ามปามเองพระปฏิบัติธรรม เขาเปฏิบัติมาหลายปีเขารู้ว่าเขาหมดชิเลตตั้งหาไปพอดีก็เกิดหลขาขึ้นมาเขาเสียใจเสียใจเศ้าหมองมาหาหลวงตาผมไปฏิบัติทำเมาผมเมื่อผมหมดเภาวะเช่นนี้ทําไมถึงเกิดขึ้นมาพมเดือดท้องของผมมไม่เลยผลเสียใจมาหาเราแล้วบอกว่าโอ๊ยอยากอะไรชีเลตเป็นปัาตัวหนึ่ง สติขอเราเหมือนช่างตัวเดิหมาไม่เห่าช่างไปกลัวทำไมมีบ้างวันไหวทาไมรักกองต่างเพื่อมาก็ายิ้มกันนะสู้อีกวันนี้เกิดวันเดียวได้ทีเลยโอ้ยหมาเห่าช้างใช่ไหมที่เหหมาตัวเดงมสติสัมปชัะของเราตามใจของเราเหมือนช้างหมาเห่าช่างจะไปบอะไรไริจ้ยทีเดียวเลยไม่ใช่ยิ่งใหญ่ พี่ว่ากิเลสพันหน้าตนหากระดับไม่ใช่กันงนั้นเลยสำหรับคนที่ไม่รู้คนที่รู้แล้วมีประโยชน์มากแยกไปเลยผลประโยชน์จากเสียงนี้อืมกล่<ะ>่มมองหองนอนวันแลวทำต่างๆที่เป็นทางของขั้ในพระเรียบบุคคลเมืองโตษเกิดขึ้นมาได้เรียก ว, ว่าสังโยชน์ถ้างองดูจริงๆแล้วล้นตาก็เปลี่ยนเด้บอกเอสัโยชน์เนี่ย เหมืองก็เด่นสติสมัญญะเหมือนทุกอินทรียกอินทรียต้องกินมะเร็งไม่ใช่มะเร็งกินทุกอินทรียงถึงขันยุทธทั้งหลายเนี่ยเหมือนมะเรงตัวนแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งได้มันใหญ่กว่าสติอินทรีย์ตัวเนี้ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นใหญ่ที่สุดเลยใหญ่กว่าตาของหูถ้าเราให้โอก네 music, simple, าสเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยให้โอกาสแต่สติอินทรีย์เท่าไหร่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 หัดซะก่อนเอาไปมามันก็เป็นไปเองง่ายถ้าหัดเป็นไบก็ต้องทวนกระเฉาะสักหน่อยอาจจะหลงก่อนรู้ก็ได้ตัวหลงตัวรูก้กันคู่กันจึงพยายามที่จะตั้งต้นให้ดีๆจากการฝึกฝนตนเองนะนี่ก็คือพื้นลังปฏิบัติทุกคนก็เคยปฏิบัติกันมาบ้างแค่ไม่เคย ป, ปฏิบัติแค่ยิ่งดีใหญ่ดีจะได้เห็น จะได้รู้จะได้ไปทำรู้เอาการกระ ท, ทําไป็การฝุกฝนตนเองเรียนรู้จากตัวเองจึงได้คำตอบจากตัวเองเป็นบทเรียนจากตัวเองเป็นปัญญาที่ยอดเยียเ่ยม่าไม่ใช่ปัญญาทั่วไปพุทธเกิดประยัตจากการลบรู่หรือก่อสักการอันนี้เป็นการาชี้เน้นวนวางยืนยันว่ามันเป็นไปได้อย่างนี้อย่าไปเสียเวลากับทางอื่นเลย เริ่มต้นจากเหยียบต้องนี่ไปถ้าเราจะให้เป็นทางก็ต้องเหยียบเป็นทางไปก่อนสร้างตัวรูปเพราะวะ่าตีลูปซื่อๆไปก่อนให้มันเต็มตัวไปเลยมันจะกลายเป็นทางที่ง่ายที่สุดแตวถ้าเราไม่สร้างตัวนี้ก็ลุกลงหลังมองไม่เห็นเห็นแต่ความหลมออกหน้าออกตาความทุกข์ออกหน้าออกตาเราไมวิตกกังวลออหน้าออต า, ต า, ออตาเป็นปัญหาเป็นปัจจัต่อการใช้ชีวิตของเรา ตอนนีคงรู้ซื้อตัวนี้เข้าไปเลยมันแต่งอะคีย์บิที่มง่ายไม่หนักไม่หนักถ้าเป็นมันหนักถ้าดูมันเบาถ้าดูมันเบามันรถที่มันใช่เกียร์หนักก็จะว่ามันก็ซื้อสองอย่างง่ายวันตาพูดแล้วพูดเด็กว่าบ้านหลวงตาอยู่บนหลังเขาเนี่ยรถที่มันขึ้นเขาชาวาบ้านที่อยู่บนนั่น รถโดยสารที่เขาซื้อบางหน่อยสิบปีเท่านั้นโซมหมดเลยเวลาลงก็ไขเกียหนักเวลาขึ้นก็ไขเกียหนักมันก็หนักมันก็โซ ม, มายไม่เหมือนรถกรงเทพ่านครก่อนอันชี้ของเราถ้ามันหนักก็ไม่ทนทานนะแต่นี่ในการแพทย์เขาพูดว่าถ้าคนหนักมากอาจจะแฉะชะลาช่วงอายุยี่สิบปีไปอายุเ่อายุเจ็ดสิบแปดสิบปีถ้ามันหนักมากยี่สิบห้าปีก็แฉะแล้วนะ ฟังดังเดียอะไรก็ทำให้เบาเบาเบาเบาความรู้ซื่อๆมันเบาๆเบานะลองสัมผัสดูเชน่ะอะไรก็ซื่อๆลองดูทําซื่อๆอะไรก็ตามเพราะจะไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทํางานทําการก็ซื่อๆไปใครจะเรียนเทางไปทําซื่อๆไปซื่อๆมันถูกต้องมันจะเบาเบาพราะตาหุตาเบากายจิตราหลุตาเบาคิดเป็นเช่นที่เอง ผลของการศึกษาปฏิบัติฝึกหัดตัวเองมันมีอะไรสงมากนะยังพุทเจ้าจแสดงไว้หนึ่งเป็นพระดาใครมีในชาตินี้สองเป็นพระหันไดนในชาตินี้อรหันต์ไม่ใช่ใครที่ไหนถ้าจะเป็นจิตก็จกิตไม่ไม่เกิดเพื่อนอรหันต์เข้าไปตะกิดนะไอ้โผขึ้นแพทย์เราปกติบ้านของจิตคือปกติไม่ใช่ลูกคนผมผมว่าแล้ว เอาเชื่อรู้ไปใช่ไหนเขาวัดกันรด้วจิตใจปกติอันนี้ปกติคือบ้านของใจถ้าใจไม่มีปกติเราใจพ่บ้านก็นแล้วภาว่าชื่อๆมันทําให้ใจปกติได้ร้อนตาเสียงไปดีลิ้นแจ้งนะคงจะลาเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่อยากไปโชว์ที่ไหนแล้วมันเจอแล้วบวดตาภาพแล้วนะเหมะที่จะมาบรรยายที่นี่ไหม ให้คนใหม่พี่นะาดูอนะอยากอยู่ตามภาษาก็แก่เดี๋ยวนี้อยู่วัดก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอาศัยเพื่อนตนั้นก็อย่าไปเอาเปลี่ยถูกกันไปเอาตัวเองนั่นแหละมากที่สุดนะอนะก็ด้วยจิตใสใจสติาของเราทั้งหลายที่ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมาภาคปฏิบัติธรรม ก็เปิดขวดตนเองนำไปใช่นำไปเป็นตองดูเวลานี้ไปแย่เราตามพูดให้จำเอาอาพูดตั้งไปทำดูแล้วก็จะเกิดกุศลขึ้นมาขอจําเป็นพละวพากับใ จ, จข้ามจุดตนตกท่านทุกท่านจงเวก็สุขการสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงในอายุวันน้านสุขภาพะละประกอบจิตการงนานชอบโดยสิทธิ์นั้นทำให้สับเด็จตามประสงค์ ได้มีโอกาสเข้าถึงคุณนธรรมเนื่องสูงในศาสนาสมาพุทธเจ้าในชาตปีบันนี้ด้วยกันทุกคนและได้ช่วยกันในรูปตามให้เกิดความจบต้นได้าทุกคนทุกคนได้เธอ